บุคคลโลกาสจากขุนทริยะมูลกะใน299อนุจกขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดโซตินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิโซตินสีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิด คาเนนจีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิจกขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่คาเนนจียไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกลาวจรภูมิจกขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคาเนนรียก็จะเกิดปฏิคาเนนจีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหม วิใช่อนุจากขนกกุนสีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดอิทธินิสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ื่อจะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปราวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสากเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละและปรินิพานจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อิทธินิสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในกล า, าวจรภูมิ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 เธอปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่บุริศินศีไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุปาจู่ในกามวจรภูมิจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและบุริศินศีก็จะเกิดปฏิบุริศินศีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่อนุ จากขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นในภูม si okay ินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตวภูมิและอรูปภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิ ชีวิตสินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจากขุนสีก็จะเกิดอนุจากขุนสีของบุคคล ใ, ใดในภูมิดายจะเกิดสมณสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดมีจกักขุเกิดได้มีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัตแล้วปรินิพานจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่สมณสินสีไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ ผู้อุบัติและจุติอยู่ในปัญจะวการพูมิบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติและจุติอยู่ในปัญจะวกวารพูมิจกขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและสมนัติสินสีก็จะเกิดปฏิสมนัติสินสีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดจกขุนสีของบุคคล น, น, นั้นในภูมิ lifting, มนั้กนก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจกขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิด อุเบกินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดมีจกักขุเกิดได้มีจิตเป็นโสมนัสจักอุบัติแล้วปรินิพานจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อุเบกินสีไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปันเโวการะภูมิจกขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอุเบกินสีก็จักเกิดปฏิ อ e? ja e e ุเปกินส e ีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่จากเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจากขุนสีก็จะเกิดอนุจากขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิด จัดทินรีปันยิ น, นรีย์มณินรียีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมณินรียีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดจากขุนศีของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบ่าอยู่ในอรูปภูมิมณินีซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่จกเกิดบุคคลผู้อุบ่าอยู่ในปัญจวโวการภูมิ มเนนรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจากขุนศีก็จะเกิดจากขุนธริยมูลกะในจบค้านินทริยมูลกะในสามร้ 300. อยอนุค้าเนนซียของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดอิทินรีของบุคลบคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพาน คาเนนซียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อิทธินรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัตอยู่ในกามาวจรภูมิคาเนนซียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอิทธินรียก็จะเกิดปฏิอิทธินรียของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดคาเนนซีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่อนุคาเนนซียของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิด บริสิณสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เธอปฏิสนธินี่บางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละและปรินิพานคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่บริสิณสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุปาจู่ในกลามวจรภูมิคานินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและบริสิณสีก็จะเกิดปฏิ ปร MM adia, creator, DVD, ุร um. ิส uh. ินส well. ีของบุคคลใดในภูม <the> <noise> ิใดจกเกิดคานินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่อนุคาินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดชีวิตินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิชีวิตินทรียของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดคาเนทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้อุปายูในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่จกเกิดบุคคลผู้อุปายูในการามาวจรภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคานินทรีย์ก็จะเกิดอนุคานินทรียของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดสมนัตินทรีย์ของบุคบคล น, นั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิ บุคคลเหล่าใดมีคานะเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติและปรินิพานคานินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่สมณสินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในกาลมาวจรภูมิคานินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและสมณสินสีก็จะเกิดปฏิสมณสินรีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิด คาเนนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูม <earthquake ientes> ิสมเนศสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกลามาวจรภูมิสมเนสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคาเนนรีย์ก็จะเกิดอนุคานินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดอุเบขินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหม บุคคลเหล่าใดเนื้อคานะเกิดได้และมีจิตเป็นสมนัจักอุบัติแล้วปัณิพานคาร์นินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อุเบกินรีไม่ใช่จะเกิดบุคคล น, นอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในกามวจรภูมิคาร์นินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอุเบกินซีก็จะเกิดปฏิอุเบกิดใดในรีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดคาร์นินีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ื่อจะเกิดใช่ไหม บุคลบคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิอุเบกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่คานินทรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกาเมวจรภูมิอุเบกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคาเนนรีก็จะเกิดอนุคานินทรียของบุคคลใดในภูมิดายจะเกิดสัดทินรียปันยินทรีย์มนินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหม วิใช่ปฏิมนินทรียของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดคาาินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิ hello. บุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิมนินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่คาาินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกลามาวจรภูมิมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคาาินทรีย์ก็จะเกิด ข้าในทริยะมูลกะในจบอิทินทริยะมูลกะในสามร้ยมอยหนึ่งอนุอิทินสีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปริณิพานอินทินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ปุริสินสีไม่ใช่จกเกิด บุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยูในกามาวาจรภูมิอิทธินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและปุริสินียก็จะเกิดปฏิปุริสิกกในียของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดอิทธินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดมีปุริจะเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานปุริสินีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด แต่อิทธินีไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุปาอยู่ในิกามวจรภูมิบริจินณีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจกั ก, น ก, นจกเกิดและอิทธินีก็จักเกิดอนุอิทธินีของบุคคลใดในภูมิใดจักเกิดชีวิตจินีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิชีวิตจินีของบุคคลใดในภูมิใดจักเกิดอิทธินีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสะเกิดได้เถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะ น, น, นั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักเกิดและอิทธินทร์สีไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในกลาวจรภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักเกิดและอิทธินทร์สีก็จักเกิดอนุ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 อิทธินิสของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและสมนัสินิสัยก็จะเกิดปฏิสมนัสินิีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดอิทธินิสัยของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปราวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริชาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นสมนัตจักอุบัติแล้วปรินิพาน สมนสินส no well, the ีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อิทธินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุปาจุเนกาเมวจรภูมิสมนสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอิทธินสีก็จกเกิดอนุอิทธินสีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดบุเบขินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นสมณจักอุบัติแล้วปันิพานอิทิินจีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักเกิดแต่อุเปกินจีไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอูในกลางมาวจรภูมิอิทธิินจีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักเกิดและอุเปกินจีก็จักเกิดปฏิอุเปกินจีของบุคคลใดในภูมิใดจักเกิด อิจฉินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปราวจรภูมิอรูปราวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสะเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแล้วปรินิพานอุเบกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อิจฉินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในกลารมราวจรภูมิ อุบเบกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอิทธินสีก็จะเกิดอนุอิทธินสีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดสัตถินสีปัญญินรีมณินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมณินรีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดอิทธินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิ และบุคคลเหล่าใดมีปุริชะเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานมนิณีจีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อิทินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุปาจุเนกามาวจรภูมิมนนิทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอิทินสีก็จะเกิดอิทินทริยะมูลกะในจบปุริสินทริยะมูลกะใน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 เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาะวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักเกิดแต่บุริสินทรียีไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุปาจุณิกามวจรภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักเกิดและบุริสินทรีย์ก็จักเกิดอนุบุริสินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใด จ, จักเกิดสมนัสสินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักเกิดใช่ไหมวิ บุคคลเหล่าใดมีปุริสชาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจีเป็นอุเบกขาจากอุบัตแล้วปรินิพานปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่สมณสินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัตยุนกามวาวจรภูมิปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและสมณสินสีก็จะเกิดปฏิ สมนัติสินสีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดบุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เถอปฏิสนธิในบางพบใยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นสมนัตจากอุบัติแล้วบริญิพานสมนัติสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่บุริสินสีไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ ผู้อุบาทว์อยู่ในกาลมาวจรภูมิสมนัติสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและบริสินสีก็จะเกิดอนุบริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดโอเปคินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดมีบุริจะเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นสมนัตจากอุบัติแล้วปรินิพาน ปุริศินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อุเปขินสีไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในกลางวจรภูมิปุริศินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและอุเปขินรีก็จะเกิดปฏิอุเปขินสีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดปุริศินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิ และบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เถอปฏิสนธิในบางภพโดยภาะวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติและปรินิพานอุเบกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักเกิดแต่บริสินสีไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบาทอยู่ในกลามวจรภูมิอุเบกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักเกิดและบริสินสีก็จักเกิดอนุบริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดจักเกิด จัตถินรียปัญญรีย์มณีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมณีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดปุริสินรีย์ของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุปาจูในรูปราวจรภูมิอารูปราวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแห ล, ละแล้วปรินิพาน มณีน word, But, world, uh, Instead, ีสีของบุคคลเหล่านั <mas Fle Math pouquinho> <s rup aaa 2> ้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ปุริสินีสีไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุปาจูณิกรรมาวจรภูมิมณีนีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและปุริสินีสีก็จะเกิดปุริสินทรียะมูลกะในจบชีวิตินทริยะมูลกะในสามร้อยสาอนุชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิด สมณสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเบกขาจะเกิดในลำดับแห่งจิตใจในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศเนสสัตภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่สมนสินทร์สีไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติในจัตุโวกรภูมิและปัญจโวกรภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด และสมณสิน ส, สีก็ <มา S 1> จะเกิดปฏิสมณสินสีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดชีวิตินทรียีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่อนุชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดอุเปกขินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจจิมัจจิที่สัมปยุธ ด, ด้วยสมณัติจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้น บุคคลผู้อุปาจู่ในอสัญญสัตพภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักเกิดแต่อุเบกินทรียีไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัจูในจัตุวะคารภูมิและปัญจวะคาภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักเกิดและอุเบกินทรียีก็จักเกิดปฏิอุเบกินทรียีของบุคคลใดในภูมิใดจักเกิดชีวิตินทรียีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ อนุชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดสัตตินซีปัญญินรีมนินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุปาจู่ในอสัญญาสัตตภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่มนินทรีย์ไม่ใช่จกเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในจัตุโวโกรภูมิและปัญจโวโกรภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและมนินทรียก็จะเกิดปฏิ เมลนทรียของบุคคลใดในภูมิใดจักเกิดชีวิตตินทรีของบุคคล น, น, คค น, นั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ชีวิตตินทียามูลกะในจบสมนัสินทริยามูลกะในสามร้อยสี่อนุสมณสินสีของบุคคลใดในภูมิใดจักเกิดอุเบขินรีของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปชิมมจิตที่สัมปยุทธโดยสมนัณจะเกิดในลำดับแห่งจิตใด ในลำดับแห่งจิตนั้นสมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักเกิดแต่อุเปกินรีไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัตอยู่ในจัตุวะคารภูมิและปัญจวการภูมิสมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักเกิดและอุเปกินรีก็จะเกิดปฏิอุเปกินรีของบุคคลใดในภูมิใดจักเกิดสมณสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิ ปัจจิมจิตที่สัมปยุทธิอุเบกขาจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นอุเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่สมณสินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจัตุโวกรภูมิและปัญจโวกรภูมิอุเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและสมณสินสีสก็จะเกิดอนุสมณสินสีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิด จตินีปัญญีย์มะนีนีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมะนีนีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดสมณสินีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปชิมจิตที่สัมปยุทธิอุเบกขาจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นมินรียีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่สมณสินียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ ผู้อุบัติอยู่ในจัตโตโวการภูมิและปัญจโวการภูมิมนินีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและสมและสินสีก็จะเกิดสมณสินทรียะมูลกะในจบโอเปคินทรียามูลกะในสามร้อยห้าอนุโอเปคินรีของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดสัตถินสีปัญญินรีมนินีสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ ปฏิมนินรียของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดอุเปกินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นจะเกิดใช่ไหมวิปชีมจิตที่สัมบยุทธ์ด้วยสมมนัตจะเกิดในลำดับแห่งจิตใ ด, ดในลำดับแห่งจิตนั้นมนินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่อุเปกินรีไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบาจุในจตุวการภูมิและปัญจวการภูมิมนินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด และอุเปบกินรีเขก็จะเกิดอุเปบกินทริยมูลกระในจบสัตทินทริยมูลกะในสามร้อยหกอนุสัตทินรียของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดปัญญรีมณินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมณินรียของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดสัตทินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ สัททินทรียะมูลกะในจบปัญญินทรียะมูลกะในสามร้อยเจ็ดอนุปัญญินรีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดมณินซีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมณินรีของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดปัญญินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปัญญินทรียะมูลกะในจบ เนกะบุคคลจากขุนทริยะมูลกะในส้อยแปดอนุจากขุนสีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดโสตินรียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิโสตินรียของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขุนสีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิด าคาเน น, น, กเก น, นซขคคกกีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิคาเนนซีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานคาเนนซีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่จกักไม่เกิดปฏิทิมพวิตรบุคคลและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในอรูปภูมิและปรินิพาน กาเนนสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดและจากขุนสีก็ไม่ใช่จากเกิดอนุจาขุนสีของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดอิทธินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิอิทธินศีของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดจะอุบัติในรูปาวจรภูมิและปรินิพานและบุคคลเหล่าใด มีปุริชะเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานอิทินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดและจากขุนศีก็ไม่ใช่จากเกิดประชิมภวิกะบุคคลและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปภูมิและปรินิพานอิทินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดและจากขุนศีก็ไม่ใช่จากเกิดอนุจากขุนศีของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิด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 แต่จากขุนสีไม่ใช่จากไม่เกิดปัจฉิมพระวิกะบุคคลและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปาวจรภูมิและปรินิพานปุริสินศีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดและจากขุนสีก็ไม่ใช่จากเกิดอนุจากขุนสีของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดชีวิตนรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปภูมิและปรินิพาน จักผลสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่ชีวิตินทรียีไม่ใช่จักไม่เกิดปะจิมภวิกะบุคคลจักผลสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและชีวิตินทร์สีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดจักผลสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจักผลสีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดสมณสินร์สีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหม วิใช่ปฏิสมน์นัสินสีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดมีจกักขุเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขาจาักอุบัตและปริณิพานสมนัสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่จักไม่เกิดปัจฉิมพรวิกคะ บ, บุคคลและบุคคลเหล่าใดจักอุบัตในรู ป, ปภูมิและปริณิพาน สมนัสสินสีของบุคคลเหล่า huh. น well at ั้นไม่ใช่จักเกิดและจักขุนสีก็ไม่ใช่จักเกิดอนุจักขุนสีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดอุเปขินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในอรูปภูมิและปรินิพานจักขุนสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่อุเปขินสีไม่ใช่จักไม่เกิดปะเฉมภวิกะบุคคลจักขุนสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิด และอุเปขินสีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิอุเปขินสีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดมีจักผุเกิดได้และมีจิตเป็นสงมนัตจักอุบัติแล้วปรินิพานอุเปขินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่จักไม่เกิดประชิมภวิกระบุคคลอุเปขินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและจากขุนสีก็ไม่ใช่จักเกิด อนุจากขุนศีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดสัจทินศีปัญญศีมนินทรี์ของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดจะอุบัติในอรูปภูมิและปรินิพานจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่มนินทรียไม่ใช่จักไม่เกิดปัจจิมภวิกรบุคคลจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและมนินรียก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิ มณีสีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่จากขุนทริยะมูลกะในจบคลานินทริยะมูลกะในสามอนุคลานินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดอิทินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิอิทินสีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิด คาินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดมีปุริจะเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละและปรินิพานกิตินรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดแต่คาินทรียไม่ใช่จากไม่เกิดปัจฉิมพรวิเคราะบุคคลและบุคคลเหล่าใดจากปุบัติในอรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและปรินิพานกิตินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิด และคานินทรีย์ก็ไม่ใช่จกเกิดอนุคานินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จกเกิดปุริสินรียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิปุริสินรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จกเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดไม่ทีจะเกิดได้เถอปฏิสนธิในบางพบละภาวะนั้นนั่นแหละและวปรินิพานปุริสินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จกเกิด แต่คาเนนซีไม่ใช่จักไมเ่เกิดประชิมภวิกระบุคคลและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและปรินิพานบริสิณสิของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและคาเนนซีก็ไม่ใช่จักเกิดอนุคาเนนซีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดชีวิตินซีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิ และอรูปาวจรภูมิและปรินิพานคาเนนจีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่ชีวิตจินรียไม่ใช่จักไม่เกิดประชิมพวิเคราะบุคคลคาเนนจีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและชีวิตจินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิชีวิตจินจียของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดคาเนนจีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่อนุคาเนนจีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิด สมณสินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิและปรินิพานคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่สมณสินสีไม่ใช่จักไม่เกิดปะเฉียนพวิกคะบุคคลและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปภูมิและปรินิพานคานินรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและสมณสินสีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิ สมนสินส so ja ีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดคาเนนสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดมีคานะเกิดได้มีอุเบกขาจับอุบัติแล้วปรินิพานสมนสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่คาเนนสีไม่ใช่จักไม่เกิดประชิมภวิกรบุคคลและบุคคลเหล่าใดจับอุบัติในรูปภูมิแล้วปรินิพานสมนสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิด และคานินทรียก็ไม่ใช่จักเกิดอนุคานินสีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดอุเบกินรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูรมิและอรูปาวจรภูรมิและปรินิพานคานินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่อุเปกินสีไม่ใช่จักไม่เกิดปัจฉิมภวิกรบุคคลและบุคคลเหล่าใดมีกิจเป็นสมนัตจกักอุบัติในรูปาวจรภูรรมิ แล้วปรินิพานคาเนนรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและอุเปกินรีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิอุเปกินรีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดคานนนรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดมีคานะเกิดได้และมีจิตเป็นสมนัตจากอุบัติแล้วปรินิพานอุเปกินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่คาเนนรีไม่ใช่จักไม่เกิด ปชิมพวิสตาบุคคลและบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นสมนัติจากอุบัติในรูปราวจรภูมิและปรินิพานผู้เบขินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดและคาเนนสีก็คคไม่ใช่จากเกิดอนุคาเนนทีของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดสตินรีปัญญินรีมนินรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิ บุคคลเหล่าใดจะอุบัติในรูปาวจรภูมิและรูปาวจรภูมิและปรินิพานคานินซีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่มนินซีไม่ใช่จักไม่เกิดประชิมพวิกระบุคคลคานินซีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและมนินซีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิมนินซีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดคานินซีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ ขานินทลิยะมูลกะในจบอิทินทริยะมูลกะในสามร้อยสิบอนุอิทินสีของบุคคลใดไม่ใช่จกเกิดปุริสินรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดมีปุริสากเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานอิทินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จกเกิดแต่ปุริสินรีไม่ใช่จักไม่เกิด ปาชินพวิกะบุคคลและบุคคลเหล่าใดจะอุบัติในรูปราวจรภูมิอรูปราวจรภูมิและปรินิพานอิทินซีของบุคคลเหล่านั้นไ ม, นมฤฤ่ใช่จากเกิดและบุริสินซีก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิบุริสินซีของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดอิทินซีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละและปรินิพาน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 บุคคลเหล่าใดจะอุบัติในรูปราวจรภูมิอรูปราวจรภูมิแล้วปรินิพานและบุคคลเหล่าใดมีปุริจักเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานอิทินิสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่ชีวิตินรีไม่ใช่จักไม่เกิดปฏิเสธพวิกระบุคคลอิทินิสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและชีวิตินรีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิ ชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดอิทธินทรียีของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิใช่อนุอินนอทธินทรียีของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดสมณสินทร์สีของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปาวจรภูมิและปรินิพานและบุคคลเหล่าดใดมีปุริสะเกิดได้เธอปฏิชนธิในบางภพในภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นสมณัจจากอุบัติ แล้วปรินิพานอิจทินซีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดแต่สมณ ส, สิณซีไม่ใช่จากไม่เกิดปัจฉิมพวิกระบุคคลและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปภูมิแล้วจากปารินิพานบุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภ พ, พในภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแล้วปรินิพานอิทินซีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดและสมณ ส, สิณซีก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิ สมณสินสีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดอิทธินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแล้วปรินิพานสมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่อิทธินสีไม่ใช่จักไม่เกิดปัจฉิมพรวิกรบุคคลบุคคลเหล่าใด จ, จากอุบัติในรูปภูมิและปรินิพาน และบุคคลเหล่าใดมีปุริสักเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพเกิดภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติและปัินิพานโสมนัสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดและอิทินรียก็จากไม่เกิดอนุอิทินรียของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดอุเบกินรียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปราวจรภูมิอรูปราวจรภูมิ และบุคคลเหล่าใดมีปุริจักเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพในภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแล้วปรินิพานอีทินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่อุเบกขินรีไม่ใช่จักไม่เกิดประจิมภวิกระบุคคลและบุคคลเหล่าใดมีปุริจักเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติแล้วปรินิพานอีทินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิด และอุเปขินสีก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิอุเปขินสีของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดอิถินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เถอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นสมนัสจากอุบัติแล้วปรินิพานอุเปขินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดแต่อิถินสีไม่ใช่จากไม่เกิด ปชิมเพวิกฤบุคคลและบุคคลเหล่าใดมีปุริจักเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติแล้วปรินิพานอุเปขินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและอิทินสีก็ไม่ใช่จักเกิดอนุอิทินรีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดจัดทินสีปันยินรีมะนินรี์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิ บุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและปรินิพานและบุคคลเหล่าใดมีปริจะเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานอิจิ้นจีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่มนินทรียไม่ใช่จักไม่เกิดปฏิทิมพรวิกราบุคคลอิจิ้นซีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและมนินทรียก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิ มณีศีของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดอิทธินีีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิใช่อิทธินิยมูลกะในจบปุริสินิยมูลกะในสามร้อยสิบเอ็ดอนุปุริสินีีของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดชีวิตินีีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิ บุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปาวจารภูมิและอรูปาวจารภูมิและปรินิพานและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแห ล, ละแล้วปรินิพานปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่ชีวิตินรียไม่ใช่จักไม่เกิดประชิมพรวิกรบุคคลปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและชีวิตินสีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิ ชีวิตศีลสียของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดปุริสิลสียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิใช่อนุปุริสิลสียของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดสมนัสศิลสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปาวจรภูมิและปรินิพานและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาะวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นสมนัตจากอุบัติและปรินิพาน ปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดแต่สมณสินสีไม่ใช่จากไม่เกิดปัดฉิมภวิกรบุคคลบุคคลเหล่าใดจกอุบัติในรูปภูมิและปรินิพานและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เถอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแล้วปรินิพานปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดและสมณสินสีก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิ สมนัตสินสีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดมีปุริจักเกิดได้เธอปฏิสนที่เนีบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแลบปริณิพานสมนัตสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่ปุริสินสีไม่ใช่จักไม่เกิดปัจจิมภวิกระบุคคลบุคคลเหล่าใดจะอุบัติในรูปภูมิและบาริณิพาน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 และป ร, ะรินิพานและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เถอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติและป ร, ะรินิพานปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดแต่อุเบกินสีไม่ใช่จักไม่เกิดปัจจิมภวิกะบุคคลและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เถอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติและปรินิพาน ปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จ <met> ักเกิดและอุเปขินสีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิอุเปขินสีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นก็ไม <met> ่ใช่จ <Devil> <met> ักเกิดใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดมีปุริจักเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นสมณเจ้าอุบัติแล้วปรินิพานอุเปขินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่ปุริสินสีไม่ใช่จักไม่เกิด ปชิมพะวิกรบุคคลและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละมีจิตเป็นโสมณัจากอุบัติและปรินิพานปุเปขินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดและบริสินสีก็ไม่ใช่จากเกิดอนุปุริสินสีของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดสัททินสีปัญญินสีมะนินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิ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 มณีจีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดปุริสินรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ปุริสินทรียะมูลกะในจบชีวิตินทรียะมูลกะในสามร้อยสิบสองอนุชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดสมณสินรียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิสมณสินรียของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิด ชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธิอุเบคาจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นสมนสินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตสมณสินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดอนุชีวิตินทรียีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิด อุเบกินร si nice. ีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิอุเปขินสีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดชีวิตจินทรียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิปฏิชิมจิตที่สัมปยุทธด้วยสมนัสจักเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นอุเปขินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่ชีวิตจินทรีย์ไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพลยงด้วยปฏิชิมจิต อเปขินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิดและชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่จากเกิดอนุชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดสัตทินรียปันยินรียมนินรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมนินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิใช่ชีวิตินทระยะมูลกะในจบ โสมนสินธุริยมูลกะในสามอนุโสมนสินสีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดอุเบกินรีของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธิอุเบกขาจักเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นโสมนสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่อุเบกินรียไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิต สมนัติสินสีของบุคคลเหล่าน <wax forwards. S 2> ั äche, however, threats, ้นไม่ใช่จักเกิดและอุเปขินรีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิโอเปขินสีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดสมนัติสินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยสมนัตจักเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นโอเปขินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่สมนัติสินสีไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิต อุบเบกินซีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและสมนัติสินซีก็ไม่ใช่จักเกิดอนุสมนัติ ส, ตน ส, นนสนินซีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดสัตถินซีปัญญินซีมณีนซีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธิอุบเบขาจักเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นสมนัติสินซีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่มนินทรีย์ไม่ใช่จักไม่เกิด บุคคลผู้พร้อมเพลงด้วยปัจฉิมจิตสมนสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและมนินรีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิมนินรีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดสมนสินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่สมุนสินทุริยมูลกะในจบอุเปคินทุริยมูลกะในสาม้อยสิบสี่อนุเปคินสีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิด จตินสีปัญญสีมณีสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยสมณจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นอุเบขินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่มนณีสีไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตอุเบขินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและมนณีสีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิ เมินินซีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดอุเปกินรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่อุเปกินทริยะมูลกะไนจบสถินทริยะมูลกะในสามร้อยสิบห้าอนุสถินซีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดปันยินรีเมินินซีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิเมินินซีของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิด สัจตินซีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิใช่สัินทะริยมูลกะในจกปัญญินทริยมูลกะในสามร้อยสิบหกอนุปัญ sí. ญินซ <zers> <in> wow okay, <pinpoint> <in> ีของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดมนินซีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิใช่ปติมนินซีของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดปัญญินซีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิใช่ ปัญญทริยะมูละกะในจบ